แต่จะเป็นชั้นใดยอมสุดแล้วแต่ความละเอียดประนีตของกำลังฌานที่ได้เช่นรูปประฌานหนึ่งส่งผลให้บังเกิดในพรหมโลกชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สามสุดแล้วแต่ความละเอียดประนีตของกำลังฌานหนึ่งเป็นต้นเว้นแต่พรหมโลกชั้นสุดทาวาสคือชั้นที่สิบสองถึงสิบหกซึ่งเป็นที่เกิดของพระอนาคามีบุคคลโดยเฉพาะ